แล้วมาดูจักที่นี่ได้ไงอ่าผมว่าน่าจะมาครั้งที่ห้าแล้วครับเออะรู้จากผ่านทางไหนมาอ่าผมรู้จักเคยเห็นจากหนังสือของหลวงตาครับอ่ามีหนังสือของหลวงตาเลยครับผมที่ผมจำชื่อไม่ได้นิวดาเคยเคยไปวัดป่าบ้านตาด้วยยังครับยังไม่เคยไปเนะ เคยเคยพบหลวงตาบ่เคยเจอหลวงตาป่ไม่ครับไม่เคยเองแต่มีหนังสือของท่านคแล้วสนใจทางปฏิบัตินะครับก็มือบ้างให้บ้าครับบ้างยังไงไมก็เลยนั่งสมาธิหรืออะไรครับพยายามให้มากที่ นั่งแบบทุกวันหร้อว่านั่งตาม ม, มีไปปฏิบัติธรรมครับบ้างแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นั่งแล้วเวลานั่งได้ผลบ้างไห ม, มยังไม่ขึ้นหน้าเขาที่อ่อือยังมีค่อยนีดแต่ก็ยังสนใจติดตามศึกษา เลาที่ได้สัมผัสกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นประโยชน์บ้างไหมเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์มากเอาไปทําอะไรได้บ้างอหมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการบริหารจัดการในในเนื้อเราครับแล้วก็ในการดูแลคร <c oughs> อบครัวแล้วก็การมีอยู่ครับอื <c oughs> แล้วก็การช่วยเหลือสังคมด้วยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็บุญยากเลือกทุกสาเดือนยอยู่ก็ทําทานเป็นประจําครับอืแล้วก็รักษาศีลหพยายามอยู่ครับบางาข้อก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุกขอ้อศีลแปดนี่ก็ยังไม่ได้รักษาเลยอ่าส่วนใหญ่จะพยายามวันวันพักครับแตอก็ขาดช่วงมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับเราวันพักก็จะนั่งสมาธิด้ว Mm. แต่ถ้าวันธรรมดาก็ไม่ได้นั่ง mm. ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆ mm. ผลจะเกิดจากการกระทำ mm. ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดเพียงแต่ศึกษาเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้านำไม่เอานำไปปฏิบัติผลมันก็ยังไม่เกิด การศึกษาเพื่อให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะกระทำอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติผลถึงจะเกิดขึ้นมาถ้าฟังอย่างเดียวไม่เอานำเอาไปใช้ไม่นำไปปฏิบัติกับชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปความโลภโมโทสันก็จะไม่น้อยลงไป ความวุ่นวายใจความทุกข์ใจก็จะไม่น้อยลงไปแต่ถ้าเรานาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไปปฏิบัติความทุกข์ใจก็จะเบาบางลงใจความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงไปความสุขความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเราจะได้มีจิตใจที่มีความทุกข์น้อยลงไปมีความสุขมากขึ้นไปความสุขหรือความทุกข์ของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรวยหรือจะจนเราจะใหญ่หรือเราไม่ใหญ่แต่ความสุข ความทุกข์ของใจเรานี้อยู่ที่มีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อยถ้ามีกิเลสมากความโลภความโกรธความหลงมากก็จะมีความทุกข์มากถ้ามีกิเลสน้อยความโลภความโกรธความหลงน้อยความทุกข์ก็จะน้อยใจของเราไม่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องรวยถึงจะมีความสุข แล้วก็จนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกข์เพราะเพราะความจนทุกข์เพราะความโลภจนแล้วอยากรวยก็จะทุกข์รวยแล้วอยากจะรวยยิ่งขึ้นไปก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่มีความโลภมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ใจก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เรามีอะไรเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ เราไม่โลภอยากจะได้มากไปกว่านี้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากเราโลภอยากจะได้มากกว่าที่เรามีอยู่เราก็จะทุกข์เราก็จะต้องดิ้นรนไปาหาไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องเหนื่อยเพราะการที่จะหาอะไรได้อะไรมาอนี้มันก็ไม่ใช่ มาแบบง่ายๆ<ม>ก็ท้องทุกข์กับการหาสิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจ<ม>แล้วหรือถ้าเสียสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะเสียใจดังนั้นความเสียใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิด <c oughs> จากความโลภของเราเองจากเกิดจากความอยากของเราเอง พอเราอยากได้อะไรแล้วมันใจของเราก็อยู่ไม่เป็นสุขใจของเราก็ต้องไปดินรนไปหาสิ่งที่อยากได้มานี่ก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้รักษาศีไม่ได้เพราะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรหาอะไรบางทีเราก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะพูด ความจริงได้เราก็จะต้องพูดปดหรือบางทีเราอยากจะได้อะไรมากๆบางทีเราก็ต้องโกงคือรักทัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่ไม่ชอบเอาของของคนอื่นมาโดยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีความโลภอยากได้อะไรเราก็จะรักษาศินได้ เราไม่ต้องโกหกใครไม่ต้องหลอกลวงใครไม่ต้องโอกงใครเพราะเราไม่มีเราไม่มีความอยากจะได้อะไรจากใครถ้าเรามีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราก็ควรจะมีความสุขได้แล้วถ้าเราหยุดความโยบบลบความอยากต่างๆได้ ก็สิ่งที่เราต้องมีก็มีแค่สี่อย่างนี้คืออาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเรามีแล้วร่างกายก็อยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วทีนี้จะทุกขก็ทุกจากความที่อยากจะมีมากกว่านี้อยากจะมีอะไรต่างๆตางที่คนอื่นเขามีกัน เห็นเขามีรถยนต์ก็อยากจะมีล้นยนต์เห็นเขามีอะไรเสื้อผ้าสวยๆงามๆของฟุ่มเฟือยต่างๆก็อยากจะมีกับเขาเห็นเขาไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวกับเขาเห็นเขาไปเที่ยวไปหาความสุขทางสถานบันเทิงต่างๆก็อยากจะไป ถ้ามีความโลภความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้เราอยู่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเว่จะต้องออกไปเที่ยวกันแต่ถ้าเรามาหยุดความโลภความอยากไปเที่ยวได้ใจเราหยุดความอยากไม่ไปเที่ยวได้ใจเราก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขได้อยู่เฉยเฉยได้ แทนที่เราจะไปเที่ยวกันเราควรที่จะหยุดความอยากไปเที่ยวกันจะดีกว่าวิธีจะหยุดความอยากไปเที่ยวก็ต้องหยุดความคิดต้องใช้สติดึงหยุดความคิดอยากให้ใจคิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ให้พุทธโทธพุทธโธไป e. ให้ท่องพุทธโทธพุทธโธไปแล้วพอใจไม่คิดถึงเรื่องเที่ยวใจก็จะ เย็นจะสบายก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองแต่ถ้าเรามีความอยากเที่ยวแล้วเราออกไปเที่ยวเราก็ต้องใช้เงินทองใช้เงินทองไปหมดแล้วแต่ความอยากเที่ยวยังไม่หมดความอยากเที่ยวก็ยังมีที่อยู่กลับมาบ้าน วันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็อยากไปเที่ยวต่อเราก็ต้องไปหาเงินทองมาเที่ยวกันไปหาเงินทองก็ต้องไปทำงานไปทำงานก็ต้องไปเหน็ดเหนื่อยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจกว่าจะได้เงินทองมาพอได้เงินทองมาเราก็เอาไปเที่ยวพอหมดเราก็หาใหม่เราก็วนอยู่ตรงเนี้ไม่ได้ไปไหน ความสุขก็เป็นความสุขเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านก็หายไปลวความว้าเวก็กลับมาใหม่อยากจะออกไปเที่ยวใหม่ยงถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะหยุดความอยากเที่ยวได้ หยุดความว้าเหวได้หยุดความไม่สบายใจได้วิธีที่จะหยุดก็คือเราต้องหยุดความอยากแทนความอยากนี้ถ้าเราสู้กับมันนี้เราหยุดมันได้ถ้าเราฝืนมันเราไม่ทาตามมันเหน๋ยวมันก็หมดกาลังพอมันหมดกำลังแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุข อยู่บ้านก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวเวเพราะความเหงาความว่าเวความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากความอยากไปเที่ยวพอความอยากไปเที่ยวหยุดไปความเหงาความว่าเวความเศร้าส้อยง่อยเหงาซึมเศร้าอะไรต่างๆก็จะหายไปใจก็จะสงบเบิกบานสบาย อ, อกสบายใจอยู่เฉยเฉยได้ นี่คือวิธีที่เราจะหยุดความทุกข์ใจและสร้างความสุขใจเราต้องหยุดความโลภหยุดความอยากอยากไปทำในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องทาทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเช่นหาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคเท่านี้ก็พอ อยากไปหาอะไรไม่มากไปกว่า น, นั้นเพราะอย่างอื่นหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะได้ของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็ะะจะทําให้เราต้องไปเหนดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาฮามาก็มาซื้อตามความอยากต่างๆซื้อมาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ก็ยังอยากอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาไม่มีเงินทองก็เดือดร้อนทํางานทํามาหากินขาดทุนหรือตกงานไม่มีงานทําก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินทองได้หรือใช้เงินทองเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเราก็จะไม่เดือดร้อนกันเพราะว่าเราสามารถหาเงินทองมาให้กับการซื้อสิ่งจำเป็นนี้ได้ เหลือเฟือสิ่งที่จําเป็นนี้เราไม่ต้องเสียมากเสื้อผ้าสักไม่กี่ชุดก็อยู่ได้แล้วบ้านถ้าไม่มีซื้อบ้านเงินซื้อบ้านก็เช่าเขาอยู่เดือนละไม่กี่พันก็อยู่ได้แล้วยารักษาโรค ก, ก็ใช้เฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารถ้ากินแบบคนธรรมดากินมันก็ไม่กี่ตัง ถ้ากินพอประมาณไม่ต้องกินมากกินละมือสองมือก็อยู่ได้แล้วเราก็จะสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองมาแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเราก็ไม่ต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเราไม่ต้องการหาเงินมากๆเราก็หาแบบสบายสบาย ไม่ต้องไปทำผิดศีลไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายก็ร า, รายจ่ายเราจะน้อยมากรายจ่ายที่เราต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นนี่มันน้อยรายจ่ายส่วนใหญ่นี่มันหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่มันก็เรียกรูห้หร่าเช่นเสื้อผ้าแทนจะซื้อเสื้อผ้าธรรมดาใส่ก็ต้องซื้อเสื้อผ้ารูหราใส่ บ้านก็ต้องบ้านหรูหลาอยู่อาหารก็ต้องหรูหลาถ้าอย่างนี้มันก็มันต้องใช้ใช้จ่ายมากมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหางเงินหาทองมากเรา้เราเรากำลังแก้ปัญหาผิดทางกันเราแก้ปัญหาด้วยการทําตามความอยากเพราะเวลาเราอยากได้อะไรแล้วใจของเราจะไม่ไม่สุข ใจของเราจะรู้สึกขาดอะไรต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาพอหามาได้ก็สุขใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากเกิดขึ้นมาใหม่อยากจะได้สิ่งใหม่ต่อวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือต้องไม่ทําตามความอยากต้องมาหยุดความอยากแล้วความอยากนี้ก็หยุดได้เพียงแต่เราต้องฝืนมัน เวลามันอยากเราก็อยากไปทำตามความอยากพยายามหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะหยุดไปหรือให้คิดว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเพาราะจะสร้างความอยากใหม่ขึ้นมาพอได้อย่างนีแงแงนน้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อแต่อย่างนั้นแล้ก็อยากจะได้อย่างโน้นต่อ อยากไปเรื่อยๆรั่วก็ไม่จำเป็นจะต้องได้ไม่มีเราก็ไม่ตายอย่างไหนที่มันไม่จำเป็นเราอย่าไปอย่าไปทำมันอย่าไปหามันมาทำเท่าที่จำเป็นเช่นเวลาถึงเวลารับประทานอาหารก็หาอาหารอะไรมารับประทานพอให้มันอิ่มปากอิ่มท้องก็พอถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้ก็ไปซื้อมาใส่ ถ้าพอใช้ก็ใช้ของเก่าไปไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยใช้ไปจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วค่อยไปซื้อมาใหม่อย่างนี้เราก็จะไม่ต้องไปดินน้นรนไปดิบเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาแล้วก็ไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายไปทําผิดศีลแลธรรมแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ ปัญหาของเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากทุกคนเกิดมานี่อยากกันทั้งนั้นอยากได้นั่อยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่กันแล้วพอได้แล้วพอไม่ไม่พอก็อยากได้อีกได้สูงกว่านั้นอีกเป็นข้าราชการเป็นนายสิบก็อยากจะได้นายร้อยได้นายร้อยก็อยากได้นายพันได้นายพันก็อยากจะได้นายผล อยาเป็นไปได้เรืยถ้าเป็นประชาชนก็ธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาก็ไม่พอใจอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างอยากจะเป็นกรรนันบ้างอยากจะเป็นนายกเทศมนตรีบ้างอยากจะเป็นสสผู้แทนบ้างพอเป็นผู้แทนก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี อยา ก, กันไปแล้วพอร่างกายแก่ก็ไม่อยากจะแก่ร่างกายเจ็บก็ไม่อยากจะเจ็บร่างกายตายก็ไม่อยากจะตายอพอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกข์พอเวลาต้องแก่ก็ทุกข์กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์กันเวลาจะตายก็ทุกข์กันทุกข์เพราะความอยากถ้าคนไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์ ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่เวลาแก่ก็จะรู้สึกเฉยเฉยถ้าไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเจ็บไข้ก็เฉยเฉยเวลาตายมันก็จะเฉยเฉยใจเป็นอย่างนี้ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วมันจะเฉยแล้วมันจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะความอยากกันเวลาเราทุกข์ใจเราลองสังเกตดูว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากทั้ง บางทีแฟนจากเราไปเราก็ทุกขาออะไรเพราะเราไม่อยากให้มัจากเราไปถ้าเราอยากเขาจากไปเราก็จะไม่ทุกข์เรากลับจะดีใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องของความอยากทั้งนั้นความทุกข์ของเราเวลาไม่สบายก็ทุกข์กันเพราะไม่อยากจะไม่สบายอยากจะให้หายเร็วๆแ้วเวลา ไม่สบายเรารักษาไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะอยากจะให้รักษาให้หายพอรู้ว่าจะต้องตายก็ทุกข์อีกเพราะไม่อยากจะตายมันมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเท่านั้นถ้าเรามาหยุดความอยากได้เหตุการณ์ต่างๆจะไม่ทำให้เราทุกข์แปลนจะจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ ร่างกายจะตายเราก็ไม่ทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ทุกข์จะแก่เราก็ไม่ทุกข์เราจะอยู่อย่างสบายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาจะแก่ก็เรื่องของเขาเขาจะเจ็บก็เรื่องของเขาเขาจะตายก็เรื่องของเขาเราก็แปเปลี่ยนเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ ร่างกายนี้เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมชาติของมันที่เราทุกข์กันก็เพราะความอยากของเราอยากที่ฝืนธรรมชาติอยากที่ฝืนความจริงนี่เราอย่าไปอยากกับในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราไม่อยากเราตอนนี้นั่งอยู่นี้เราก็สบายแนละ้วมีความสุขแล้ว ถ้ามีเงินเหลือใช้ก็หยุดทำงานได้แล้วถ้าเราไม่มีความอยากจะไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องใช้เงินไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นก็ไม่เสียเงินก็เหลือแต่เงินที่ต้องใช้สําหรับซื้ออาหารกินไปแต่ละวันหรือจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเองดัน้เราอย่ามาแก้ปัญหาด้วยการทาตามความอยากเพราะมันจะ ไม่มีวันจบอยากได้ในสิบพอได้มาแล้วพอไ้ย、ไม่พออยากจะได้ในร้อยแล้วพอได้ในร้อยพอไหมไม่พออีกล่ะอยากเป็นเศรษฐีอยากได้เงินล้านพอได้มาแล้วพอไ้มไม่พออะอยากจะได้สิบล้านนะพอได้สิบล้านพอไ้มไม่พอล่ะแล้วของที่จะซื้อก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆตอน ตอนมีเงินแสนก็ซื้อของราคาแสนพอมีเงินล้านที่ก็ต้องซื้อของราคาล้านของอันเดียวกันนั่นแหละแต่ราคาต่างกันเช่นรถยนต์รถยนต์ราคาแสนถ้ามีเงินระดับแสนก็ซื้อรถราคาระดับแสนพอมีเงินระดับล้านก็ซื้อรถราคาระดับล้านถ้ามีร้อยล้านก็ซื้อระดับร้อยล้านมันก็รถเหมือนกันก็นั่งมีพาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกัน แต่ความอยากมันจะหลอกเราว่าต้องนั่งรถร้อยล้านดีกว่านั่งรถสิบล้าน <c oughs> นี่แหละคือปัญหาของพวกเราถูกความแลกถูกความอยากหลอกหลอกให้เราวิ่งตะคุกเราคิดว่าความสุขอยู่ตรงนั้นอยู่ความสุขอยู่ที่การได้ทําตามความอยากและได้สิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วหายไปไหนแล้วความสุขได้มาสุขเดียวเดียวความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้ว ของที่ได้มามันหมดความหมายไปแล้วซื้อรถใหม่มาไม่กี่วันเดี๋ยวก็อยากได้อีกคันหนึ่งบางคนซื้อมีรถเป็นสิบคันเสถีบบางคนนี่มีรถเป็นห้าสิบเป็นร้อยคันต้องสร้างโกดังเก็บรถไว้แล้วต้องมาดูแลรักษามันอกองต้องไปจ้างคนมาขับเพะรถจอดทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็เสีย อ, อีก ตัวเองก็ไม่ได้ขับนจพระเจ้าเกามาขับแต่ตัวเองเนี่ยมันดูว่าเป็นรถองฉันนั่นเองนี่คือความอยากมันหลอกให้เราโง้ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้ารู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของความวุ่นวายใจไม่สบายใจต่างๆก็คือการหยุดทำตามความอยากนั่นเอง ที่เราวุ่นวายใจเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้เราก็วุ่นวายใจที่เราวิตกกังวลก็เพราะเราอยากให้สิ่งที่เราได้มานี้ไม่เสียไปไม่จากเราไปแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เสียไม่จากกันะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ไม่ช้าก็แล้วก็ต้องมีการจากกันเรามองไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้ ชีวลาก็เลยวุ่นวายกับการทําตามความอยากทําเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอถึงเวลาไม่ได้ทําตามความอยากก็เครียดกันทุกกันเวลาแก่นี่ก็ไม่มีใครไ ม, ไม่มีใครมีความสุขกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สุขกันเวลาจะตายก็ไม่สุขกันพราไม่สามารถทําตามความอยากได้นะแล้วพอตายไป พอร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ที่ใจมันก็ดึงใจให้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่พอมาเกิดแล้วก็ทําตามเดิมทําตามความอยากเหมือนเดิมพ่อแม่ต้องสอนเราไว้ว่าให้หนูอยากได้อย่างนู่นได้อย่างนี้เอรู้เลยพอเกิดมาเห็นนายชอบก็อยากได้แล้ว ความอยากนี่มันเป็นของอัตโนมัติมันติดมากับใจของเราความไม่อยากนี่แหละเป็นของที่เราต้องสรา้างขึ้นมาใหม่ต้องเปลี่ยนใจจากอยากให้ ม, มันไม่อยากไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเราจะอยู่เฉยๆได้จะจะหยุดจะหยุดความอยากได้ต้องหยุดความคิดเพราะความอยากนี่อาศัยความคิด เป็นตัวนำถ้าเราไม่คิดนี้มันก็ไ ม, ม, ม่มันก็ไม่รู้จะอยากอะไรมันต้องคิดก่อนเอ้วันนี้เราอยากเราอยากจะทำอะไรดีเนาะไปเที่ยวดีไหมไปหาเพื่อนดีไหมไปที่นู่นที่นี่ดีไหมพอคิดปะเออดีไปเห็นก็ไปแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่รู้จะไปอยากอะไรแล้วเรามาหยุดความคิดกันให้มันคิดในเรื่องที่ไม่อยาก เช่นคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปคำเดียวเนี่ยมันก็จะมมันก็ไม่รู้จะไปอยากอะไรกับพุโทโธพุธโทโธไม่มีอะไรให้เราอยากพอมันไม่อยากใจก็จะเย็นใจสบายมีความสุขขึ้นมานี่วิธีแก้ปัญหาง่ายๆแต่ทำกันยากลากเกินเพราะมันไม่เคยทำกันให้พุโทโธพุธโทโธไปแค่นี้พุโทโธไม่ได้ แต่ถ้าคิดหาเงินร้อยล้านพันล้านนี่นั่งคิดได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เครียดไปกับมันตื่นเต้นไปกับมันวางแผนกันคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้กันแล้วพอได้มาแล้วเป็นไงก็ไม่พอยอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอย่าไปทำอย่าไปทําอย่าไปทําตามความอยากม า, มาฝืนความอยากกันเด็กา ด้วยการมาหยุดความคิดกันอั้นต้นก็หยุดความคิดพอหยุดได้แล้วขั้นที่สองก็สอนให้คิดว่าการทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไปหาความวุ่นวายใจต้องไม่ไม่ทำตามความอยากดีที่สุดขันต้นหยุดความคิดกันสองก็สอนให้คิดไปในทางที่ทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร เห็นกงนก็มีร้อยล้านพันล้านก็ไม่อยากได้เห็นแล้วก็โอเหนื่อยมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ต้องมาดูแลรักษาตัวเองก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกตายไปก็เป็นของคนอื่นไปหมดอยู่ก็แบกมันไว้เป็นยามเฝ้าดูแลรักษามันไปหรือไม่เช่นนั้นก็เอามาเอามาลงทุนเพื่อจะได้เพิ่มได้มีเพิ่มมากขึ้นไป ก็เหนื่อยก็ต้องเหนื่อยกับการหาเงินเพื่อมาให้มันมีมากขึ้นไปการสุขความทุกใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่มีเงินร้อยล้านพันล้านหรือเป็นขอทานยาจกอยู่ที่ว่าอยากหรือไม่อยากคนที่เป็นขอทานยาจกแต่ไม่อยากนี่เป็นคนมีความสุขมากกว่าที่คนเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่ยังมีความอยาก พระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเศรษฐีน้อยล้านพันล้านแต่ท่านบอกว่าม่อยู่แบบขอทานดีกว่าแล้วก็อยู่แบบไม่อยากท่านมาอยู่แบบขอทานแล้วท่านก็มาหยุดความอยากนั่งพุทโธพุทโธไปเอาพระเอาสติมาหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้ความอยากหายไปความสุขใจความอิ่มใจก็เกิดขึ้นแล้วพอเกิดความอยากใหม่ก็หยุดมันไป สอนใจว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความหิวให้กับใจไม่ได้เป็นการสร้างความอิ่มให้กับใจการสร้างความอิ่มต้องหยุดความหิวต้องหยุดความอยากไม่ใช่ไปทำตามความอยากพอทำนี้ได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะนิ่งจะสงบจะอิ่มจะพอตลอดเวลา คนกินกินข้าวอิ่มตลอดเวลาใจนี้ถ้ า, ถ, าถ้าหยุดความอยากได้แล้วมันจะอิ่มมันจะพอมันจะไม่หิว่ถึงแม้ร่างกายจะขาดอาหารมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไายได้เปื่อยมันก็ไม่เดือดร้อนเพความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของความสุขของทางใจความสุขใจนี้ยิ่งใหญ่มากสามารถอ รับความทุกข์ของร่างกายได้หมดร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนความสุขนี้จะสามารถกรบมันไปได้หมดแล้ทำให้ไม่รู้สึกทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายเลยแต่ในทางตรง น, นข้ามมีความสุขทางร่างกายถ้าใจทุกข์นี้ความสุขไม่ไม่มีความหมายเลยเช่นตอนนี้เราก็ร่างกายเราก็สุขสบายดีพอเราได้ยินได้ฟังข่าวร้ายขึ้นมาหน่อยเราก็ทุกข์ขึ้นมาแนละ้ว เช่นขโมยขึ้นบ้านได้ขาวว่าขโมยขึ้นบ้านใจเราก็ทุกขึ้นมาแล้วหรือไฟไหม้บ้านนี้เราก็ทุกแล้วเพราะเราไม่อยากให้มันไหม้เราไม่อยากให้ขโมยขึ้นบ้านพอไฟไหม้บ้านไฟขึ้นบ้านความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าคิดแบบไม่อยากก็คือมันจะไหม้ก็ไหม้ไปห้ามมันไม่ได้ขโมยจะขึ้นบ้านก็ขึ้นไปแล้วห้ามมันไม่ได้ มันขึ้นไปแล้วจะไปทำยังไงได้มันไม่ไปแล้วจะไปทำยังไงได้ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ก็ไม่ไปก็หาใหม่หาบ้านใหม่ใสอ่อยู่อยู่ไม่มีบ้านอยู่ก็ไปอยู่ใต้สะพานไปก่อยก็ได้อยู่ไปตามมีตามเกิดสุนัขมันไม่มีบ้านอยู่มันยังอยู่ได้เราวิเศษเราเก่งกว่าสุนัขเราไปกลัวทำไม อยู่ไม่ได้ก็ตายตายก็ตายสิมันร่างกายยังไงสักวันมันก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ใต้สะพานก็ตายอยู่ในวังก็ตายถึงวลร่างกายมันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันถ้าใจไม่ไปอยากให้มันไม่ตายล้วก็จะไม่เดือดร้อนใจต้องรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ แล้วก็อยา่าพอรู้ว่าห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากแล้วมันจะทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์แล้วมันก็แก่อยู่ดีทุกข์แล้วมันก็เจ็บอยู่ดีทุกแล้วก็ตายอยู่ดีไปทุกข์ทไมไวยให้มันแก่เจ็บตายโดยไม่ทุกไม่ดีกว่าเลยก็เฉยเฉยไปหยุดความอยากไป <c oughs> แล้วเราจะมีความสุข ยากดีมีจนไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ไม่ได้ก็ตายใจก็ยังสุขเหมือนเดิมอยู่ก็สุขตายก็สุขใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจอยู่ต่อไปอยู่แบบสุขก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าอยู่แบบทุกข์ก็กลับมาเกิดใหม่ทุกข์เพราะความอยากก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาทำตามความอยากใหม่ เราคิดว่าเวลาทําตามความอยากเราจะดับความทุกข์ได้แะดับได้เน๋ยวเดียวแล้วเดีียวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกความอยากมันมีร้อยแปดพันประการอยากทุกเรื่องอยากทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่มีวันหมดถ้าทําตามความอยากเราก็จะเหนื่อยถ้าหยุดความอยากได้ฝืนความอยากได้ก็จะสบาย อยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรมากวนใจนี่คือเรื่องของการมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าปัญหาของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ความยากดีมีจนไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเรานี้เท่านั้นเอง เรามาหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดกันวิธีจะหยุดความคิดก็ต้องคิดในเรื่องที่มันไม่คิดทําให้มันไ ม, ไม่คิดเรื่องอื่นก็ให้คิดอยู่กับพุทธโธไปพุทธโธพุทธโธไปหรือท่ายาวหน่อยก็พุทธังสลานังกัชามิธรรมังสลานังกัชามิสังขังสลานังกัชามิกระไดแล้วจะให้ยาวๆสวดบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปก็ได้ สวดแล้วมันก็จะไม่มันก็จะลืมเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่มีความอยากแต่พอหยุดปั้บมันก็จะอยากเห็นเราต้องขยันสวดขยันท่องพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดมันหยุดอยากเราก็หยุดความเราก็หยุดท่องพุทโธได้ใหม่ๆมันจะยากเพราะความอยากมันจะไม่ยอมมันจะสู้ แต่ถ้าเราชนะมาแล้วต่อไปมันจะอ่อนกําลังลงมันจะขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวไม่ขึ้นมาทีเหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆนี่มันจะขึ้นมาตลอดเวลาพอเราหยุดพุทโธปั๊บมันขึ้นมาทันทีเราก็ต้องสู้กับมันพอมันคิดพอมันคิดจะอยากได้นู่นได้นี่ก็พุทโธพุทโธไปหยุดมันไปให้ให้คิดว่าความอยากนี่เหมือนไฟก็แล้วกันพอมันุกเราก็น่าน้ามาดับมัน เอาพุโทโธมาดับมันพอมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้เราพุดโธพุธโทโธไปพอมันไม่อยากเราก็หยุดพุดโธได้อันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราต่อไปจะอยู่อย่างมีความสุขเหนื่อยแบบนี้ดีกว่าเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองหามาแล้วก็ใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วก็ต้องไปเหนื่อยต่อไปเรื่อย แต่เหนื่อยกับการสู้ความอยากี่มันถ้าชนะมันแล้วสบายพอมันแพ้มันพอมันแพ้แล้วมันจะไม่มามันไม่กล้ามาสู้หรอกนะเหนื่อยเหนื่อยไม่นาเหนื่อยเดียวเดียวเหนื่อยสู้กับความอยากเอาความอยากยอมแพ้แล้วทีนี้ก็สบายแต่ถ้าไปเหนื่อยกับการหาเงินนี่เหนื่อยไปทั้งชาตินะหากงนหาไปจนวันตาย เพราะความอยากได้เงินนี้มันไม่มีวันหมดจะแก่ขนาดไหนก็ยังอยากได้เงินอยู่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังอยากได้อยู่จะตายก็ยังอยากได้อยู่ตายแล้วต้องต้องกลับมาเกิดหางเงินใหม่เนี่ยที่เราที่เราตายจากชาติก่อนมาเกิดชาตินี้ก็เพราะเรายังอยากหางเงินอยู่กันออโต้ปั๊บนี้ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องหางเงินเลยหากัน แต่ว่าต้องสอนวิธีหาเงินที่ถูกกับที่ผิดจ้ะนั้นเองส่วนใหญ่ชอบไปหาแบบผิดกันชอบไปขโมยเงินของคนอื่นกันชอบไปโกงเขาชอบไปโกหกหลอกลวงเขาเพราะมันหา ง, ง่ายกว่าหาง่ายกว่าไปทํางานวันละสามร้อยบาทเนี่ยวันละแปดชั่วโมงก็จะได้สามร้อยบาทไปโกหกหลอกลวงใครเดียวแป๊บเดียวได้เป็นพัน่ะอาชีพมิฉาชีพถึงแพร่หลาย ตกทองเอาทองเก๊ ม, มาแลกทองจริงก็เรียกว่าโกหกหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาด้วยวิธีหลอกลวงเขาไอ้นคนที่ถูกหลอกลวงก็เพราะความอยากอยากจะได้ทองเงยอะๆเอาทองเส้นใหญ่มาแลกทองเส้นเล็กก็เอาแล้วมันก็โดนความอยากด้วยกันหลอกกันเนี่ย ถ้าไม่อยากได้เต้องขายใครจะมาหลอกเร า, างไงได้ใช่<อ>มขายเจะอะไรมาหลอกเราเราไม่อยากได้ถ้าอย่างก็หลอกไม่ได้แล้วความจริงเหมือนงย ม, มีอยู่ง่ายๆมีขายยาของดีมาให้เรากันอยู่ดีๆใครก็จะเอาของดีมาให้เราเอาของดีมาแลกของไม่ดีไม่มีหรอกเอาทองเส้นใหญ่มาแลกทองเส้นเล็กเี่มันมีใครก็ทางมันหรือวะ ไม่เคยฉุกคิดเลยว่ากำลังจะถูกหลอกอความอยากมันเลยทำให้เราไม่รอบครอบความโลภมันทำให้เราไม่รอบครอบอเอาถึงเรียกว่าโลภมากมาัมกลาบหายถ้าไม่โลภแล้วลาบไม่หายแล้วเงินทองยังไม่ถูกใครเขามาหลอกไปกินได้ง่ายๆเ แ, แต่ถ้าโลภแล้วถูกก็หลอกไปกินหมดแชร์แม่แช่ม้อยเห็นไหม เอามาเล่นแชร์เดี๋ยวได้ร้อยละร้อยละห้าสิบเนี่ยใครๆครก็อยากจะได้กันได้ได้ดอกแต่ไม่ได้ต้นใครเล่นก่อนก็ได้ไปใครเล่นทีหลังพอพอพ อ, พอแชร์ล้มก็ก็หมดตูดกันนี่แหละคือปัญหาของโรกเราทุกคนมีความอยากกัน ก็เลยมาหลอกกันมาโกงกันมาเบียดเบียนกันเมื่อตัวเองไม่มีปัญญาที่จะหามาโดยวิธีไม่ไปทำผิดกฎหมายด้วยทำผิดสิลด้วยรำมันก็เลยต้องเอาทำผิดผิดศีนผิดศีนแล้วผิดกฎหมายเพราะมันหาได้ง่ายหาได้เร็วค้ายาเสพติดนีภาษีอะไรต่างๆง่างล่านี้มันเป็นวิธีหาเงินที่ได้ได้เร็วแต่มันไม่คิดถึงโทษที่จะตามมา เวลาถูกจับต้องไปติดคุกติดตารางเพราะความอยากมันทําให้ไม่คิดลอกเขมันจะเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอา น, นี้อยากจะไดะไ้ต้องเอามาให้ได้ไม่ด้วยเลขก็ด้วยกลต้องหาอะไรมาไม่งั้นมันเครียดมันกินไม่หลับนอนไม่หลับแต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็พุโทโธพุโทโธไป เวลานอนไม่หลับเวลาเครียดกับความอยากก็พุโทโธพุทโธไปอยา่าไปสนใจท่องพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวความอยากก็หายเองเวลาท่องพุทโธก็อย่าไปอยากให้มันได้ผลทันทีท่องไปเรื่อยๆท่องไปแบบไม่สนใจท่องเหมือนร้องเพลงไปพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนื่อยก็หยุดสักดูดหายใจสักสองสามทีแล้วก็พุโทโธต่อ Bold. เดี๋ยวความอยากมันก็หายไป หายแล้วใจก็เบาสบายขึ้นมาแล้วต่อไปจะไม่แก้วิธีไม่แก้ปัญหาด้วยการไปทําต่างฟังอย่างแก้ด้วยพุโทโธนียก็พุโทโธพุโทโธไปเราจะสบายเงินทองจะเหลือใช้แต่วันนี้เงินทองไม่พอใช้ก็เพราะใช้มากกว่าหาได้พอเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อเงินผ่อนรูดบัตรกันไปก่อนนะ ทีนี้พอถึงเวลาจ่ายก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วเอานะหันกลับมาใช้วิธีที่พระเจ้าใช้ดีกว่าพระนองคตเจ้าใช้วิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆด้วยการใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากอยาท่องพุโทโธไปก็ได้อาจจะสวดอะไรไปก็ได้แล้วใจมันก็จะหยุดความอยาก แล้วใจก็จะสบายมีความสุขพออยากที่ไลก็พุทธโธไปต่อไปมันความอยากมันก็หมดกำลังไปเองแล้วเราก็อยู่อย่างสบายหาหาเ้งหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะวันละสามร้อยนี่ก็เหลือกินแล้วถ้าใช้อย่างประหยัดก็พออยู่ได้ แต่หาวันละสามพันก็ไม่พอใช้ถ้าใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆกระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นนะแต่ถ้าใช้แบบประหยัดใช้แบบพอเพียงนี่มันก็ไม่กี่ตังค์ไม่มีกระเป๋าก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้มันก็ใส่ของได้เหมือนกันนี่มันก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่มันไม่ผิดศีลละธรรมไม่ใช่แต่ไม่ใช้ของถูกๆกัน ก็ไปใช้ของแพงๆเพรากลัวเขาดูถูกดูแคลนยังมีความอยากมีหน้ามีตาอยู่ไม่อยากให้เขาดูถูกดูแคลนเราไม่อยากต้องไม่ให้ให้เขาดูถูกเหยียดหยามเราอันนี้ก็เป็นความอยากอีกแบบเขาจะดูถูกก็ดูถูกไป เ, เขาไม่มาหาเงินให้เราเนี่ย่า เราไม่มีเงินที่จะซื้อกระเป๋าใบละพันเราก็ใช้ถุงพลาสติกไปก่อนก็นได้นีนเป็นปัญหาอะไรก็ใส่ของได้เหมือนกันเราต้องรู้จักใช้ชีวิตของเราให้ถูกอย่าไปอย่าไหลไปตามความอยากใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ ใช้เท่าที่เราจะหามาได้หากระเป๋าไม่ได้ก็ใช้ถุงพลาสติกไปก่อนรองเท้าหนังไม่มีก็ใส่รองเท้าแตะไปก่อนก็ได้มันก็เป็นรองเท้าเหมือนกันนี่นี่เป็นปัญหาลงไหนใช่ไหมแล้วเราจะไม่เครียดจะไม่วุ่นวายใจกับการหาเงินหาทองจะไม่เครียดกับการมีหนี้มีสิน อย่าไม่เคลียกับการมีหน้ามีตาอย่าไปมีหน้ามีตาเลยหน้าเราก็มีแล้วตาเราก็มีแล้วจะไปเอาอะไรอีกกายจะดูถูกก็ปล่อยก็ดูถูกไปความจังดูถูกดีกว่าดูผิดกายเห็นเรายากจนก็ยากจนไปสิจะเดือดร้อนยังไงความยากจนมันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องบานเจ็บ พระพทธเจ้าฉันยังยอมยากจนเลยท่านเหม็นเดือดร้อนท่านเป็นพระเจ้าลูกพระเจ้าแผ่นดินเวลาออกจากวังจะไปบวชเดี๋ยวขอทานขอทานขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยังเปลี่ยนให้เลยเห็นเห็นใส่ชุดเจ้าชายสวยขอทานอยากจะได้ขอทานาขอเปลี่ยนได้ไหมยันจะเอาเลยมันอยากจะได้ชุดเจ้าชายเอาไปแล้ ว, ลวเราจ้าชุดขอทานใส่คนที่ไม่หลง ไม่ง้อจะไม่ไม่ยึดไม่ติดกับของเหล่านี้ดีชั่วมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหดีชั่วมันอยู่ที่ทำบาปหรือไม่ทำบาปทำบุญหรือไม่ทำบุญทำความดีหรือทำความชั่วทำความชั่วมันก็ชั่วต่อให้ใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆมันก็ยังชั่วยังนั่นถ้าไม่ทำชั่วใส่เสื้อผ้าของเขาทานมันก็ไม่ชั่ว ดีชั่วมันอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าให้เราต้องรู้จักความจริงว่าอะไรเป็นอะไรดีชั่วอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคนรวยไม่แสดงไม่ใช่ว่าจะไม่ชั่วนะคนรวยที่ชั่วมีเยอะแยะไปแต่คนรวยที่ดีก็มีเยอะแยะไปมไม่ได้อยู่ที่รวย อยู่ที่ทำดีแล้วทำชั่วคนจนก็เหมือนกันคนจนที่ชั่วก็เยอะคนจนที่ดีก็เยอะอยู่ที่การทำความดีหรืออยู่ที่การทำความชั่วไม่ได้อยู่ที่ความจนหรือความรวยการคนที่ทำความดีก็เพราะเขามีความอยากน้อยเขาเลยทำความดีได้ง่ายคนที่มีความอยากมากก็ทำความดีได้ยากเพราะอยากจะเอาเงินเาทองมาใช้ใช้ ให้กับตนเองคนที่ไม่มีความอยากใช้เงินให้กับตนเองก็เอาไปทำบุญทำทานไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไปทําความดีได้คนที่ไม่มีความอยากจะทําความดีได้มากกว่าคนที่มีความอยากดูพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความอยากแล้วท่านทําความดีให้กับโลกได้ขนาดไหนสั่งสอนคนให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นจานวนเป็นแสนเป็นล้านใช่ ศาสนาของท่านอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความไม่อยากของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากท่านจึงสามารถอุทิศชีวิตให้กับการสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนของท่านแล้วก็ไปทำต่อคนที่ไม่มีความอยากแล้วก็จะทำแบบที่พระเจ้าทากันไปทำประโยชน์ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไป เราเราจะมีความสุขมากถ้าคนเราอยู่ด้วยกันถ้าคนที่เราอยู่นี้ไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องทำอะไรที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและไม่ทำอะไรให้กับตนเองมากเกินเกิน<ๆ>ความจาเป็นไม่ต้องมีบ้านร้อยล้านอยู่ไม่ต้องมีรถราคาสิบล้านขับไม่ต้องมีเพชรมีแหวนมีของอะไรต่างๆเครื่องประดับอะไรต่างๆใส่ใส่ไปทำไมมันได้อะไร เหมืนเปเล่นยี่เก๋ะใส่สเพชรร้อยล้านมันมันได้อะไรทำให้ตัวเรามีราคาร้อยล้านเนี่ยก็ ม, มีค่าสําหรับโจรผู้ร้ายอันนีเพชรร้อยล้านมันก็จะจี้ได้พ้นได้กลายเป็นเป้าของมิจฉาชีพไปเห็นไหมได้ข่าวเมื่อเร็วๆนี้มีดาราชอบโชว์เพชรโชว์อะไรนี่ จนมันเข้าไปปนในอาาพาร์ทมันหมดเลยนะเอาไปหมดเลยไม่รู้กี่ร้อยล้านมันได้อะไรมไม่มีอะไรเอาเงินร้อยล้านนี่มาทำประโยชน์ไม่ดีกว่านะช่วยเหลือคนยากคนจนคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วยสร้างโรงพยาบาลซื้อหยุกซื้อยาอะไรมาคนที่เขาเดือดร้อนเขารอรับการช่วยเหลือมีเยอะแยะไปกลับไปซื้อเพชรไว้ทำไมเพชรมันทำอะไรได้ กับกายเป็นพาระทต้องคอยมาเฝ้าเพชรอย่างเงี้ยเราต้องไปจ้างรอพอมารักษาอีกอย่อยู่แบบคนจนแบบนี้เงินน้อยล้านพันล้านก็ออกไปทำบุญดีกว่าน้นนอนก็มีความสุขเห็นคนอื่นได้รับความสุขจากการกระทาของเราเราก็มีความสุขแล้วนี่แหละเป็นคนดีคนดีเป็นแบบนี้คนดีไม่ทำประโยชน์ให้กับตน ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นกับตนก็ทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพออยู่ได้ก็เอาละพอมีปัจจัยสี่ก็พอคนดีจริงๆงนี่เขาจะไม่มีของฟุ่มเฟือยไม่มีของหรูหร้าใช่เพราะก็เห็นว่ามันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์ะไมันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจเกิดจากการทำความดีทังหา่าเวลาทาความดีแล้วมันอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจภูมิใจ ใครจะชมหรือไม่ชมก็ไม่สําคัญใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สําคัญถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ต้องไปเรียกหนังสือพิมพ์มาถ่ายภาพลงหนังสือพิมพ์ว่าได้ทําบุญแค่นั้นแค่นี้อันนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณามากกว่าทําบุญเพื่อโฆษณาพวกบริษัทที่เขาทาบุญกันนี้ก็ไม่ได้ทําจากใจเขาหรอกเขาทำเพราะเขาอยากจะโฆษณาว่าบริษัทเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จะได้มาซื้อบริการของเา้าซื้อข้าวของของเขา ท่านนั่นเองเป็นการหลอกลวงมากกว่าทำบุญแบบหลอกลวงคนที่เขาทำบุญเพื่อจิตใจจริงๆก็ไม่ต้องมาโฆษณาไม่ต้องมาให้คนรับรู้เขาทำแล้วก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจอย่างที่เขาบอกว่าปิดทองหลังพระคนที่ปิดทองหลังพระนี่ได้บุญมากกว่าคนปิดทองหน้าพระ อปิดท้งหน้าพระนี่ไม่ได้ทำบุญเพื่อบุญทำบุญเพื่อหน้าเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงบุญเลยไม่ได้ใจแล้วไม่มีความสุขเพียแต่ดีใจว่าโอ้ฉันมีหน้ามีตามีคนรับรู้ว่าเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ไปยั้นขอให้เรามาเชื่อพระพุทธเจ้ากันแล้วทำแบบที่พระพุทธเจ้าทำกันเออ มาหยุดความอยากกันมาอยู่กันแบบสัมมาทัตเรียบง่ายอยู่แบบคนจนนอยู่แบบพอมีพอกินไม่ต้องมีเพชรนินจินดานไม่ต้องมีของฟุ่มเฟือยไม่ต้องมีของแพงๆใช้เอาใช้กับของที่มันพอใช้ได้แล้วใจของเราจะมีความสุขะไม่ต้องกังวลรวยก็จะกังวลเดี๋ยวกลัวจะจนะ ถ้าจนแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรวยก็ไม่เดือดร้อนจนก็ไม่เดือดร้อนถ้าจนได้แล้วมันไม่เดือดร้อนถ้าจนไม่ได้แล้วมันเดือดร้อนจะต้องรวยอยู่เรื่อยๆความอยากรวยก็เป็นโทษเป็นทุกข์ความอยากจนนี่ไม่เป็นทุกข์หรอกเพราะมันมันง่ายมันได้ได้ทังใจความอยากจนนี่มันง่ายอยากรวยนี่มันยาก แล้วคำว่าด้วยก็ไม่รู้เท่าไหร่ถึงจะพอพอจนนี้มันรู้แล้วไม่มีเหลือแล้วหมดเนื้อหมดตัวเรียกว่าจนพอแล้วพอมีพอกินหากินไปวันวันก็พอแล้วพระพุทธเจ้าท่านหากินไปวันวันถ้าไม่มีสะสมมาหารไปเลยใช่ไหมบินตาบัดวันนี้ใกล้ฉันวันนี้เสร็จก็สลับไปเลยไม่เก็บไว้ถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หาใหม่หาไม่ได้ก็อดไปอดก็ไม่เดือดร้อน ถ้าใจไม่มีความอยากกินแล้วมันไม่เดือดร้อนกินไม่ได้กินเพื่อใจกินเพื่อร่างกายร่างกายอดตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้อดไปกับร่างกายใจอิ่มเหมือนเดิมเพราะไม่มีความอยากความความอิ่มนี้เกิดจากความไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากแล้วใจจะอิ่ม ก่อนร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายมาทําตามพระพุทธเจ้าในการมาหยุดความอยากกันมาอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษพอมีพอกินก็พอแล้วถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปทําบุญทําทานไปสงเคราะห์โลกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่ า, อาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อเพชร อ, อ, อย่าไปซื้อนาฬิกา ไปซื้อต้มหูซื้อซ้อยมาเลยมาเป็นพาลากับกิจใจต้องคอยดูแลรักษาต้องมาวิตกกังวลห่วงใหญ่จะต้องไปเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวต้องซื้อมันไปซื้อตู้เซฟมาใส่มีอะไรยิ่งมียิ่งมากยิ่งทุกมากมีความกังวลมากมีน้อยก็กังวลน้อยไม่มีเลยก็ไม่มีความกังวลเลย เรามาเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตของเราใหม่มาหยุดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญกันหยุดความอยากได้รูป เ, เสียงกลิ่นรอดกันามาทำใจให้สงบกันดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธกันถ้าอยู่บ้านไม่สงบวุ่นวายก็ไปอยู่วัดกันไปหาที่สงบทำใจให้ให้สงบแล้วใจจะอิ่มจะมีความสุขจะมีความพอ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุมโมทนาให้พร <appointment> ยังไงนักไงถึงไปกรัวมาเลยไปบวนมาแนละ้วก็ต <ota> ีอยากตัดเส้นสร้างอยู่เลยโอ้ยแล้วเป็นไงโง่แห่งดีขึ้นนะ <laughs> <laughs> <laughs> งานเยอะขึกก้นนะเ <laughs> <laughs> <laughs> จ้ ก, ก็เหรออ๋อ <laughs> <laughs> เอาศีลเอาสมาธิไปทําต่อนะอย่าทิ้งนะอย่าโยนทิ้งไปเรียนมาแล้วก็ไปทําต่อทําได้เป็นเป็นโยงก็ยังทําได้อยู่เหมือนเดิมกามีเวลาก็ทำไหว้พระสวดมนต์เหมือ น, นที่เราทําทุกวันนี้รักษาศีลไปเหมือนที่เรารักษาอยู่ทุกวันนี้กินข้าวมื้อเดียวได้ก็กินต่อไปประหยากมันทำไมอยู่มาได้สองสามเดือนสบาย นะฝืนความอยากไว้แล้วจะสบายนะถ้าตามความอยากแล้วมันจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่พอพยายามรักษาการปฏิบัติที่เราได้ปฏิวัติมาสาเดือนนี้ต่อไปนะนะอย่าอยู่ในผ้าเหลืองหรือ น, นอกผ้าเหลืองมันก็ยังทําได้อยู่คนยังคนเดียวกันอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนไปตรงไหนนะนะอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปอนะ เล่นการพนันอย่าไปเที่ยวกลางคืนตั้งหน้าต่างต า, งตางทำมาหากินเรียนหนังสือชีวิตจะมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดีงามตามมานะถ้าไม่ควบคุมใจมันจะพาเราไปทางสัํานะีมันจะชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปเเสพยาไปดื่มสุราไปอะไรต่างๆ ถ้าไม่ฝืนมันก็เดี๋ยวมันก็ลากเราไปเรื่อยๆออกไปนั่งสวดมนต์ดีกว่าถ้ามันชวนเราไปกินเหล้านั่งสวดมนต์ดีกว่าถึงเวลาทำวัดเย็นละไปนั่งทำวัดเย็นถึงถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็อยากกินมาเป็นพระนี่แต่ไม่ใช่เวลากินเราก็ไม่กินใช่กินไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้ลองกลับไปดูซิว่าจะอดข้าวเย็นได้สักกี่วัน เล้วไม่อดเลย ว, วันนี้กาจะมากนะ ว, วันนี้กาจะฉลองลลอเลยเอาประดานะ <c oughs> ยังไม่กุ้นเคยรักษาได้ดีก่อนนะทำมาได้ต้องนานแล้วรักษามันต่อไปแล้วสุขภาพจะดีขึ้นร่างกายจะไม่อ้วนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนลองดู ลองไปคิดดูเวลาอยากก็พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมแนะ้วเดี๋ยวก็หายอยากนะทำไมอยู่ในวัดไม่กินข้าวเย็นได้ทำไมาอยู่ที่วัดไม่กินข้าวเย็นได้ทาไมออกจากวัดเราทําไมต้องกินข้าวเย็นด้ <c oughs> วยพราะเราไม่เหยียบเบรกไว้อยู่ในวัดเราคอยเหยียบเบรกไว้ออกไปเราก็เราก็รักษ า, <c oughs> า, าต่อไ ป, น, อไปนี <c oughs> ของดีจะตายเไปทำไะไม่รักษากลับไปเอาของไม่ดีมาทําไมเอาของไม่ดีมาแรกกับของดีทําไมการไม่กินข้าวเย็นกับกินข้าวเย็นนไม่ไม่กินข้าวเย็นมันดีกว่าจะตายไปจะได้ไม่ต้องไปกินเลี้ยงใครยังมาชวนไปเลี้ยงบอกผมถือศีลแปดไปไม่ได้เลยใครยัมาชวนไปเที่ยวออกไปไม่ได้ศาสนาอื่นก็ยังอ้างศาสนาได้คน อิสลามจะให้เขากินหมูเขาบอกเขากินไม่ได้นะออทําไมเขาอ้างได้ไอเราทําไมเขาจะให้เรากินเหล้าเราบอกเราถือศีลกินเหล้าไม่ได้นะไ ม, ไม่อ้างมึงเพราะเรามันอยากกินอยู่แล้วเลยไม่อ้างกันอะ <c oughs> เป็นลูกแล้วเป็นร้านเป็นลูกใช่ไหมลูกเหร ไปทำความดีต่อนะถ้าเรียนไม่จบก็ไปเรียนให้จบนะค่ะเพื่อจะอเมริกาค่ะขับขึนมาที่นี่กันไหมอยู่ที่รัฐไหนอยู่ที่รัฐไหนยูวาีเนียวีเนียอยู่เมืองอะไรเมืองอะไรเมืองเิร์กเมืองแฟร e แฟกซ์รู้จักพระอาจารย์ดิ๊กไหมหนูพ มีชาวอเมริกันบวชเป็นพระอยู่รูกหนึ่งไ่้ไปสร้างวัดอยู่ในเวอร์จิเนียอยู่ในเขาเวอร์จิเนียมีทางนี้ตั้งหลเลยก็หมือาชีแล้วก็เป็นเจ้าอาวอยู่ที่แมรี่แลนแล้วก็อยู่สามส่วัดนะนี่อยู่ที่นั่นก็ติดตาม Facebook ได้นะถ่ายทอดสดทุ้งวันมีเฟซบ o o กเปล่า มนเวลาค่ะคือมันเป็นกฎหมายด้วยอะไย่งมีใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทำเออมีทนีอ่อยากจะถามอะไรนก็คือตอนนี้โยมก็อยากจะฝึกสตินะคะก็เข้ามาถึงวัปลายแล้วค่ะก็รู้เหมือนกันว่าตัวเองเน่ยร้อนแล้วก็ยังอารมณ์ขึ้นลง ลองหัดท่องพุทโธไปเรื่อยเลยพุทโธไปอย่างเดียวนี่แหละเวลาร้อนกับพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงที่เรื่องที่ทําให้เราร้อนเดี๋ยวพอเราลืมมันปักมัน้อนก็หายไปพุทโธนี่มันจะหยุดความคิดต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆได้บังคับก็ไม่ว่าระหว่างความคิดกับจิตไม่ต่างกันยังไงอ๋อจิตมันมีหน้าที่หลายอย่างมันมีมันมีมันมีสิ่งที่ทําหน้าที่หลายอย่างความคิดก็อย่างหนึ่งความจําก็อย่างหนึ่งความรู้สึกก็อย่างนึง มันมาอยู่ในจิตหมดเนี่ยเหมือนนั่งกายมีแขนมีขามีตามีมหูจิตก็มีความคิดมีความรู้สึกมีความจำมีการรับรู้ก็เป็นเป็นเป็นความสามารถของจิตแต่มันมามารับรู้ในทางที่ผิดรู้แล้วเกิดความอยากอยากเลยทำให้เราร้อนขึ้นมาเราต้องรู้แล้วอยากไปอยากแล้วมันก็จะเย็น ว, วิธีจะรู้รู้แล้วรู้แล้วไม่ร้อนไม่อยากก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้ <nunca> ได้มาแล้วมันก็จะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเวลาจากกันก็ทุกข์ยั้นอย่าไปอยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์จะไม่ร้อ น, อนที่ร้อนก็เพราะอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยร้อนขึ้นมาถ้าไม่มีกับความอยากอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าให้ ไม่ c l i n g i n ปล่อยวางคําว่าค l i n g i ก็ไปยึดติดเพราะยึดติดก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ยึดติดเราก็ไม่ให้นคนอื่นเราไม่ร้อนกับเขาใช่ไหมเราไม่รู้จักเขานี่เขาจะเป็นยังไงเราไม่ร้อนกับเขาแต่คนที่เรารู้จักนี่เราร้อนด้วยเพระเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมายัางถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหยุดไปก่อนเพราะบางทีคิดได้แต่ทาไม่ได้ พรใจมันไม่ยอมมันไม่ยอมตามมันไม่ยอมทําตามความคิดเราก็ต้องหยุดมันถ้ามันจะไปคิดในทางที่ไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันจะไปยึดติดกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดึงมันกลับมาด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหัดพุดโทโธไว้พุโทโธเนี่ยดีเป็นเหมือนเบรกรถยนต์ก็แบบว่า อัน น, นก็อย่างหนึ่งแต่นอกเวลานั้นทั้งวันเลยตั้งเดินขึ้นมาก็ให้ผันท่องพุโทโธไปไเรื่อยๆเวลาอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็หายไปแล้วอันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ตั้งแต่เรื่องตาขึ้นมาเลยมันเหมือนขับรถเนะี่ยต้องมีเบรกเดี๋ยวขับรถไปไม่มีเบรกเดี๋ยวมันก็ชนกันแหลกอารมณ์เรานี่ก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีเบรกพอเราไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรแล้วมันก็ร้อนขึ้นมา แต่ถ้าเรามีเบรกเดี๋ยวมันก็เย็นพุทโธพุทธโทไปแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นเห็นหัดหัดท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีเวลาไม่มีธุระจะทําอะไรก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทเข้าโทรออกไปหรือไม่ต้องพุทเข้าโทออกก็ได้พุทโทอย่างเดียวไปไม่ต้องดูรวมก็ได้เอาพุทโทอย่างเดียวก็ได้แล้วใจก็จะนิ่งสงบแล้วจะมีความสุขก็จสิงครับแล้วคนที่อยากทําบุญเยอะๆล่ะก็ทําไปสิไม่ว่าอะไรเนี่ยอ แต่อยากอย่าอยากเกินตัวเท่านั้นอยากก็ไม่มีทรรก็อย่าไปอยากอยากทําในสิ่งที่ทําได้อมีเยอะก็ทําเยอะมีน้อยก็ทําน้อยทำเท่าที่หมดเนี่ยทําเท่ามีที่มีเนี่ยทำหมดแล้วก็เหมือนกันแล้วก็อยากทำเครับหมดแล้วก็บวชนั่นแหลคือความอยากที่ดีก็มีอยากลกเรียนก็ทําไปอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี้ ดีมันทำให้ใจเย็นถ้าทำได้แล้วมันจะเย็นแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องทำใจว่ายังทำไม่ถึงก็ทำต่อไปอย่าไปอยากมันก็จะร้อนขึ้นมาได้ทำแล้วไม่ได้ยังใจอยากถึงแม้จะเป็นการทำที่ดีมันก็ทำให้ใจเราร้อนได้เราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้หน่อยว่ า, เ, าเราอยากจะทำบุญเงินเท่านี้แต่เรามีแค่นี้มีน้อยกว่าที่เราอยากจะทำเราก็ต้องลดปริมาณความอยากลง ทําเท่าที่เรามีไปก่อนก็แล้วกันแล้วถ้ามีอีก่อยมาทําต่ออไปกลางนี่ครับเอให้มันพอดีอแต่ความอยากทางที่ดีทําไปเลยแต่ความอยากที่ไม่ดีนี่อย่าไปทําอยากไปเที่ยวอยากไปกินเหล้าอยากไปเล่นการพนันอยากเล่าอยากรวยอยากอะไรนี่อย่าไปอย่าไปทําโดยเด็ดขาดเลิกมันไปเลยอแล้วใจจะสบาย แล้ก็มาทําสิ่งที่จะทําให้ใจสบายมากขึ้นก็คือมาหยุดความอยากกันมานั่งพุทโธกันนั่งสมาธิกันแล้วก็มาสอนใจว่าทุกอย่างที่เราอยากมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็เสียใจเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจมีแต่มีแต่ความเสียใจตามมาถ้าทําตามความอยากก็อยากไปอยากกับอะไรดีกว่า ทางบ้านมีอะไรไหมมีครับอาจารย์เข้ามาเลยคำถามจากคุณพีรพลนะครับวิธีปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงพระโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็เนี่ยต้องทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นโสดาบันไดถ้ายังกลัวอยู่ก็ยังเป็นไม่ได้แสดงว่ายังยึดติดกับร่างกายต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันต้องแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเห็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไปทุกข์กับเขาไหมเขาแก่เขาเจ็บเขาตายนี่เราไม่ทุกข์เลยใช่ไหมร่างกายของเรานี่มันก็เหมือนร่างกายของเขาเพียงแต่เรามาครอบครองมายึดเป็นของเราเราก็เลยไม่อยากให้มันแก่เจ็บตาย พอไม่อยากมันก็เลยทุกข์เป็นมาก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ไปเจ็บไปตายไปถ้าอยากจะรู้ว่าปล่อยได้เมื่อไรม่นก็ลองไปทดสอบดูนั่งให้มันเจ็บดูแล้วปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ต้องลุกไม่ต้องขยับปล่อยให้มันเกิดดับไปของมันเองเดี๋ยวมันก็ดับไปเองความเจ็บเดี๋ยมันก็หายไปเกิดับก็ดับไปถ้าปล่อยได้ก็แสดงว่าปล่อยความเจ็บได้แล้วแล้วความตายปล่อยได้มั้วก็ลองไปอยู่ในป่าดู ลองไปอยู่ป่าช้าดูไปที่ไหนมันน่ากลัวดูดูไปแล้วใจกลัวหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่ายอมตายหรือเปล่าเ้ายอมตายได้ก็ไม่กลัวละไม่กลัวก็หายถุกก็แสดงว่าปล่อยแล้วพระโสดาบันท่านปล่อยร่างกายได้ปล่อยความแก่ได้ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายได้ท่านอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนคําถามข้อต่อไปจากคุณพชระนาคารินนะครับอยาก ถามว่าปกติจิตเราจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะแล้วเวลาหลับจิตเราไปไหนคือจิตเราเนี่ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่มันส่งกระแสมามามาเชื่อมกับร่างกายส่งกระแสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเอามารับความรู้ต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจเป็นเหมือนกับคนที่ที่เขาเรียกอะไรหุ่นกระบอกใช่ไหม เห็นหุ่นกระบอกไม่คนที่ก็เชิดหุนเนี่ยคนที่เชิญหุุนก็จะมีเส้น4ี่ห้าเส้นอะไรนี้ไว้สำหรับดึงแขนดึงขาดึงอะไรดึงหน้าดึงตาจิตก็เหมือนกันจิตจะมีเชือกอยู่หเส้นมาเชื่อมกับตาหูจมูกดึงกายแล้วก็จะเป็นตัวที่จะสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้หันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาให้ลุกให้ยืนให้เดินให้นั่งเนี่ยมันมาจากใจเป็นคนสั่งโดยอาศัยไอ ไห้เส้นหเชือกนี้มาคอยสั่งการให้มันทำไปแล้วมันก็รับสิ่งที่มาทางตาหูจมูกนิ้นกายไปพอเห็นมันก็รู้ว่าเห็นแล้วก็เกิดอารมณ์กับสิ่งที่เห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเห็นสิ่งที่ชอบก็อยากได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากให้มันไปพอไม่ได้ยังใจอยากก็ทุกข์พระพุทธเจ้าบอกปัญหาอยู่ที่ความอยาก ให้เห็นเฉยๆเห็นแล้วอย่าไปอยากชอบก็อย่าไปอยากได้ไม่ชอบก็อย่าไปอยากให้มันหายไปปล่อยมันเฉยๆวิธีจะปล่อยมันเฉยๆได้ต้องมาทําใจให้เป็นสมาธิต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วมันจะเป็นกลางมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ถ้ามันไม่สงบมันจะรักชังกลัวหลงเอ็นสิ่งที่เราตอนนี้ขาดกันก็คือการทําใจให้มันเป็นกลาง ให้มันเป็นให้มันเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากได้ถ้ามันมีความเป็นกลางแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้ตอนนี้มันหยุดไม่ได้พอเห็นอะไรรักก็อยากได้ขึ้นมาชังก็อยากให้มันหายไปพอไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้าเรามีเป็นมีสมาธิมีใจที่เป็นกลางแล้วเราก็จะสั่งใจให้อยู่เฉยเฉยได้ เห็นอะไรก็จะรักก็บอกให้มันหยุดได้จะชังก็บอกมันหยุดได้พอมันเฉยแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่เราเห็นอันนี้เราเหนื่อยหมกับสิ่งที่เราเห็นเห็นอะไรรักก็ชอบก็อยากได้วิ่งตามมันพอเกลียดอะไรก็พยายามที่จะกำจัดมันพอกำจัดไม่ได้ก็เครียดพออยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ก็เสียใจ แต่ถ้าเราเฉยเฉยซะมันก็สบายเพราะสิ่งที่ได้เดี๋ยวมามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ดีสิ่งที่เราอยากให้มันไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปไล่มัน เ, เดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปของมันเองดังั้นหัดมาหัดทําใจให้เฉยเฉยนั่งสมาธิทําใจให้เฉยเฉยแล้วก็จะหยุดความอยากได้หยุดความรักชังกลัวหลงได้นี่คือใจไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ใจเป็นผู้มารับรู้ความรู้สึกต่างๆด้วยการส่ง ส่งตั ว, ต, วตัวเชื่อมตัวเชื่อมเราเรียกวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางลิ้นทางจมูกทางร่างกายมันจะมารับข้อมูลต่างๆที่เข้ามาสัมผัสอะไรมาแต่เนื้อหน่อยปับ๊บมันรู้ทันทีของร้อนก็นรู้ของเย็นก็นรู้ของแข็งก็รู้ของนิ่มก็รู้มันรู้ส่งไปที่ใจแล้วใจเป็นตัวที่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่มันรับรู้เอ สุขทุกข์ไปกับสิ่งที่รับรู้ตัวร่างกายมันไม่สนมันไม่เดือดร้อนอะไรจะมากระทบกับมันของแข็งของนุ่มของคมของแหลมมันไม่รู้เรื่องแต่ตัวที่รู้เรื่องมันไม่ได้โดนเท่าไหร่แต่ไปเกิดความรู้สึกขึ้นแทนร่างกายคำถามข้อต่อไปจากคุณด็ อ, อร์พิสิทธ์นะครับความอยากที่จะให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จรุ่งจนบางครั้ง กลายเป็นกิเลสความเครียดความทุกข์เป็นกิเลสหรือไม่ครับถ้าทุกข์ก็เป็นกิเลสแล้วแหละมันต้องอย่าแบบไม่ทุกข์ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันล้วก็ทำตามหน้าที่ของเราทำตามความสามารถของเราทีผลมันจะเกิดไม่เกิดมันไม่แน่นอนบางทีมันมีเหตุอย่างอื่นมาขัดขวางความสำเร็จก็ได้เมื่อมันไม่สาเร็จก็ยอมรับ ว, ว่ามไม่สาเร็จก็ท่า น, นั้นเองอมีเป้าหมาย ก็มีก็มีไปเห็นแต่อย่าไปยึดติดกับเป้าหมายเป้าหมายเป็นเพียงแต่เป้าหมายไม่ได้เป็นตัวที่จะทักว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปเห็นทุกคนก็เป็นนายกกันเป็นหมดแล้วสิเวลาเลือกตั้มก็สมัครเป็นนายกกันทั้งนั้นแหะแต่มันได้คนเดียวอ่ะใช่ไหมคนไม่ได้ก็เสียใจก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจอยากอย่นตั้งเป้าอย่าไปตั้งความอยากตั้งเป้าได้แต่อย่าไปตั้งความอยากที่เป้านั้น ความอยากให้อยู่ตรงที่ความจริงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็จะไม่ทุกข์ขอให้อยากตามความเป็นจริงทันได้เท่าไหร่ทั้นก็เท่านั้นเวลาจะขอขออะไรจากใครก็แล้วแต่คุณให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละได้ทั้งนั้นอย่างเงี้ยแมพระไปบินธรรบุก็เจ้าสอนว่าให้ยินดีตามมีตา ม, ตามเกิดเราจะไม่ทุกข์เขาจะใส่อะไรมาก็ดีกว่าไม่ใส่คิดแค่นี้ก็พอละ ถ้าไปจูจี้จุกจิกอยากจะกินนู่นกินนี่แล้วไม่ได้ดังใจก็เสียใจล่ะ mm. เราไปตั้งเป้าผิดนะพระยัยงเป็นพระบินทบาทก็ไม่ให้ไปตั้งเป้าที่ขนมนมเลยที่ชอบเขาไงว่าต้องเป้าต้องตั้งไปตามมีตามเกิดมีหน้าที่เดินก็เดินไปเขามีหน้าที่ใส่ก็ใส่ไปเรามีหน้าที่ทำงานเราก็ทำไปผลมันจะสาเร็จไม่สาเร็จก็อยู่ที่เหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมา ว่ามันพร้อมหรือเปล่าถ้ามันไม่พร้อมมีเหตุอย่างอื่นมาขัดขวางมันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงเ่นั้นมันก็ไม่ทุกที่มันทุกเพราะไม่ยอมรับความจริงมันจะเอาให้ได้ดังใจคำถามข้อต่อไปจากคุณตุกตาไม้นะครับทำอย่างไรจะจัดการกับความอยากของตัวเองได้คะก็พุโทโธไปพุทโธไป เวลาอยากก็พุโทโธไปอยากไปทำตามความอยากอยากดูละครก็พุโทโธพุโทโธไปห้านาทีสิบนาทีมันก็ลืมแล้วอยากความอยากดูละครมันก็หายไปแล้วพอมันอยากใหม่ก็พุโทโธใหม่ทำไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันจะอ่อนลงเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะหายไปมันจะไม่มารบ ก, กวนใจเราเราไม่มีกำลังหยุดความอยากกันพุโทโธเนีเน่เป็นกาลังเป็นเบรกที่เราต้องสร้างขึ้นมา คำถามจากคุณยุพาพรนะครับเวลาเราไม่สบายใจเราจะ ก, กําหนดพุทธโธได้ไหมครับ<ด>ให้ใจมันสงบได้พุทธโทไปเดี๋ยวเราลืมเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็หายแล้วแต่ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็ไม่สบายใจไปทั้งวันนะ่ะคนเขาดา่าเราเมื่อเช้านี้ตอนเย็นนี้ยังคิดถึงมันอยู่ก็ยังไม่สบายใจอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราลืมไปแล้วมันก็หายไปแล้ะมันหายไปกับเรื่องนะอ่ะยังอยาวเรื่องเข้ามาในใจเรื่องมันอยู่ข้างนอกเราไปดึงเข้ามาเอง เลืมาด้วยความจําเขาด่ามาทั้งไหนเมื่อเช้านี้ตอนเย็นยังจําได้คิดถึงทีไรก็ไม่สบายใจขึ้นมาทุกทีพอไม่สบายใจก็พุทโทดับมันไปสิลบมันไปพุทธโทนี่ยเป็นยางลบเหมือนใครเขียนอะไรว่าบนกระดานดําเนี่ยเราก็เอาอยางลบที่ลบมาลบไปะกระดานดำมันก็ว่างใจเราก็เหมือนกระดานดนะํานี่ยถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาพอเราพุทโทลบไปมันก็หายไปหมดมันก็ว่างเย็นสบาย คำถามจะคุณตัวนะครับกําหนดพุโทโธโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ควรนะเพราะในชีวิตประจําวันมันไม่มีเวลามานั่งดูลมหรอกนอกจากเวลานั่งเฉยๆนั่งสมาธิเราไม่ต้องดูลมก็ได้แต่การทําสมาธินี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้พุโทโธกับลมจะใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ชอบดูลมก็ดูลมไปไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ชอบพุโทโธไม่ต้องดูลมก็ได้หรือชอบสองอย่างก็เอาทั้งพุททั้งลมก็ได้ วบางคนชอบสองอย่างก็แล้วพุดเข้าโทออกบางคนชอบอย่างเดียวก็พุทโทอย่างเดียวบางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดียวมันไม่ใช่สูตรตายตัวว่านาะเวลาพุทโทแล้วต้องดูลมไม่ไม่เกี่ยวแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนแต่เวลาที่ไม่ได้นั่งนี่มันพุทโทอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปดูลมเพราะมันดูลยากลมหายใจเวลาเราเดินเหินทาอะไรนี่มันดูยาก มันจะดูได้ก็ตอนเฉพาะเวลาเรานั่งเฉยๆเลยยั น, นยไม่ต้องไปดูลมนอกจากเราเป็นจริตชอบดูลมแล้วดูได้ก็ดูไปคำถามจากคุณน้ำหวานนะครับถ้าเรามีการกำหนดคำบริกรรมตลอดเวลาทั้งวันเผลอไปก็รู้สึกตัวและมีการแยกเวลาทำสมาธิหรือทำในรูปแบบต่างหากและถ้าหนูอ่านหนังสือสอบ เวลากำหนดภาวนา อ, อิริยาบทย่อยก็น้อยลงการอ่านหนังสือเยอะๆจะทำให้เราการปฏิบัติล่าช้าไหมเจ้าคะก็การการไปอ่านหนังสือถ้ามันอ่านธรรมะมันก็ไม่ล่าชา้าแต่ถ้าไปอ่านหนังสือทางโลกมันก็จะไปคนละทางกันมันก็จะขวางกันมันจะดึงไปคนละทิศคนละทางมันก็จะออกนอกรูนอกทางไป ถ้าอยากจะเจริญทางปฏิบัติก็ต้องตัดกิจกรรมทางโลกไปให้หมดคำถามจากคุณพาดาวันนี้เกิดสภาวะธรรมสดๆร้อนๆคือเห็นคนที่เขาไม่ชอบเราพูดจากแนะกะแหนเมื่อได้ยินแล้วก็กลับเขากลับเข้ามาดูการกัดเทือนของจิตที่รู้สึกที่ลิ้นปีและก็เห็นว่าไม่ค่อยชอบใจ แต่ก็ดูกลับไปกลับมาระหว่างอาการกระเทือนของอกระเทือนและความรู้สึกไม่ชอบใจนั้นเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วดับเป็นเช่นนั้นเองสักพักก็รู้สึกเฉยๆทำอย่างนี้ถูกไหมคะพระอาจารย์ถูกก็แลยถ้าถ้ามันเฉยก็ถูกอ่ะถ้ามันไม่เฉยก็ไม่ถูกอ่ะต้องการให้มันเฉยต้องการให้มันปล่อยวางมันไม่เที่ยงแล้วเราไปห้ามมันไม่ได้ ใครก็จะพูดอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาพูดแล้วมันก็จบแล้วเราเอามาคิดเองเราม า, าดึงมาไว้มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่ใจเรายังไม่ยอมปล่อยยังเอามาคิดต่อมันก็เลยกัดสะเทือนใจเราถ้ามันเกิดแล้วดับไปแล้วมันก็หมดไปแล้วถ้าเรามีสติมันก็หายไปแล้วเราสติไม่มีสติเราไปติดอยู่กับอดีตไปไปติดอยู่กับคําพูดที่ไม่ดีอย่างที่เมื่อกี้อธิบายฟังก็ด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ ตอนเย็นมันยังสะเทือนใจอยู่เลยเพราะเราเอามาคิดเองสิ่งที่เขาพูดมันผ่านไปแล้วเขาพูดหนเดียวแต่เรามาคิดร้อยหนเพราะเราไม่มีสติหยุดมันคำถามจากคุณยานยา น, ยานินจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเวลานั่งสมาธิมีแต่คิดไปไร้าสาระ<อ>มีแต่คิดไปสารพัด ทำแบบนี้จะคิดถมถนั่งไม่ได้หรอกถ้านั่งแล้วยังคิดก็มันไม่สงบแล่ะต้องหยุดคิดก่อนต้องหัดพุดโทโธก่อนหัดพุดโทโธหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วเวลามานั่งมันก็จะไม่คิดมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเฉนั้นฝึกฝึกพุโทโธก่อนอจะจะนั่งสมาธิต้องมีพุโทโธหยุดความคิดให้ได้ก่อนเดินขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลย ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธไปน้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปแต่งตัวกินข้าวอะไรก็พุทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดในระหว่างการทํางานก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวคิดไปในเรื่องงานการไม่เป็นไรพ <c oughs> อคิดไปในทางความอยากก็พุทโธหยุดมันเทานั้นเองแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดพอรเราอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธถ้าอยู่กับพุทโธเนี่ยมันก็จะนิ่งสงบ เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็มีความสุขจากการนั่งเฉยๆจากการที่จิตสงบเนี่ยคำถามจากคุณสิณีนะครับไม่ควรตั้งเป้าพระอาจารย์หมายความว่าทำเหตุให้ดีที่สุดแต่ไม่หวังผลใช่ไหมคะอย่างนี้เราตั้งเป้าทำที่เหตุคือทำให้บ่อยทำให้มากได้ไหมคะหรือยังเป็นความอยากอยู่ดีคือตั้งเป้าได้ไปนิพพานได้ เป็นนายกได้ตั้งได้อาจจะได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปยึดไปติดกับเป้าที่เราตั้งเรามีหน้าที่ทำเหตุก็ทำไปถ้าเหตุมันพร้อมมันก็ได้เองทำเหตุมันไม่พร้อมไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าเสียใจได้ก็อย่าไปดีใจก็ทำไปตามเหตุตามผลนั่ น, น, นเองคำถามจะคุณอนาปาณ์นะครับการฟังเสียงบาลีบาลียายทม บรรยายทำบทประกอบเสียงดนตรีมีผลต่อสิมแปดไหมครับก็ไม่ควรเน่ยเพราะดนตรีมันก็เป็นอารมณ์ทางบันเทิงเราไม่ต so huh? <c oughs> <Maybe. c oughs> ้องการอารมณ์แบบนี้แล้วต้องการความสงบความว่างเง้นฟังเสียงธรรมเงี้นพระเวลาจะเท่ก็ต้องมีมีวงดนตรีมาคอยบเรเลงอย่าไปมีอย่าไปมีเสียงดนตรีเป็นเรื่องของกิเลสขอมาร่วมวงด้วย แล้วมันจะกลายเป็นเดี๋ยวฟังไปฟังมาไปติดเสียงด น, นตรีเข้าก็บซวยเอ่ยไ ห, <c ười> ไหมคำถามจากคุณพัชระนาคลินนะครับเวลากำลังจะถูกฉีดยาเราจะกำหนดจิตไว้ที่ไหนดีคะที่ว่าแยกกายออกจากจิตอยู่ที่พูดโทงไงอย่าอย่าไปสนใจ พุดโทรพูดโทไปเวลาหมอฉีมจิกเหมือนกับมือนฟ้าล้องแป๊บเดียวแค่นี้ลดกันนิดเดียวถ้าไปจอด <c oughs> ไปจอบมันก็ยิ่งเครียดใหญ่อย่าไปสนใจ <c oughs> อย่าไปสนใจทำเปน็น <c oughs> ไ, ไม่รู้ไม่ชี้ดีที่สุด <c oughs> พุทโธพุทโธไปเนี่ยแยกจิตออกจากกา ย, ยอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายดึงดึงใจออกด้วยพุทโธรทองพุทโธพุทโธไปหมอฉีดปั๊บเสร็จแล้วเหรอบางไม่รู้ด้วยทำไปว่าฉีดแล้ว แต่ถ้ามานั่งจ้องดูเข็ม <laughs> <laughs> มันก็เล็ปรุงแต่งเข้าไปใหญ่ <laughs> แต่พุโทโธมันใช้ได้หมดเลยปัญหาต่างๆเนี่ยของวิเศษแต่เราไม่รู้จักใช้กันลองหัดท่องพุโทโธไปให้มันชำนาญแล้วต่อไปเวลามีอะไรทางใจก็พุโทโธพุโทโธไปเดียวๆห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบแล้ะมันก็หายจากความเครียดต่างๆคาถามจะคุณปัตถพีนะครับ พอเกิดความอยากแล้ ว, วาภาวนาพุโทโธสะกดความอยากไว้พอเผลอความอยากก็กลับมาใหม่รู้ตัวก็ภาวนาสะกดความอยากไปอีกหลายๆายครั้งรู้สึกว่าความอยากชักจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบสะกดไม่ไหวจะต้องทําอย่างไรครับก <c oughs> ็สู้ต่อไปถ้าแพ้มันมันก็มันก็มันก็ยังก็ยังมันก็จะกลับมารบกวนเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราชนะมันมันก็จะ มันก็จะไม่มาหรือมาก็จะเบาลงกว่าเกา่าดังนั้นช่วงต่อสู้กันนี้ต้องอดทนมากต้องต้องสู้ไม่ถอยอย่างท่นหลงตาท่านบอกสู้กิเลส ต, ต้องอย่าไปถอยอย่าไปยอมมันยอมขาดใจตายไปกับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันมันยอมเองพอมันยอมแล้วเบาเลยเหมือนคนสองฝ่ายชักกะเยาะกันเนี่ยเวลาสองฝ่ายดึงกันเนี่หมามันตึงมากแค่เชือกแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊บมันเบาเลยอ ใจเวลาสู้กับความอยากนี่มันเครียดเวลาจะพุทโธนี่เหนื่อยแต่ถ้าพอความอยากมันหยุดปั๊บหายเหนื่อยเลยเบาขึ้นมายั้นถ้ายังพุทโธได้พุทโธไปบอกขอพุทโธไปยันกระทั่งหายจะขาดใจตายไปมันเนี่ถ้าสู้แบบนี้รับรองชนะมันแน่แต่ถ้าไปยอมแพ้มันเมื่อไหร่ก็แพ้มันเมื่อนั้นนี่นั้นอย่ายอมแพ้กิเลสอย่ายอมแพ้ความอยากถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ไปเรื่อย ถ้าชนะแล้วก็จะชนะมันไปเรื่อยๆแ้่มันต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องชนะเมื่อชนะแล้วเราก็จะชนะมันไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ชนะมันก็จะแพ้ไปเรื่อยๆตายไปก็ต้องถูกมันชุดลากไปเกิดใหม่เพราะจะเป็น่าชของมันไปการแพ้ความอยากก็ถือว่าเราเป็น่าตของความอยากแล้วการชนะความอยากก็ถือว่าเราเป็นเจ้านายของความอยากอีกข้อนะครับผมจาหาคาถามไม่เจอนะครับอ่า เขาถามว่าอ่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับอ่าการดูดวงอะไรย่างเงี้ยครับอา๋อก็พระพุทธเจ้าท่านให้สอนอยู่แล้วว่าอนาคตของเราคือความแก่ความเจ็บความตายของจริงไม่ชอบดูกันชอบไปดูของปลอมไปนะไปดูว่าฉันจะได้คนนั้นคนนี้หรือเปล่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าไปดูมันทําไมมันของปลอมนั้นคนดูก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าก็พูดไปอย่างนั้นเอง ได้มาแล้วก็มันก็ตายไปอยู่ดีทำนั้นไม่ดูของจริงได้อะไรมาเดี๋ยวก็ตายได้ได้ไม่ได้ก็ตายเหมือนกันให้ดูของจริงพู้ท่านเจ้าเป็นหมอดูดวงที่แม่นที่สุดกับไม่ดูกันพระเจ้าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาอันนี้แหละของจริงของแท้กับไม่ชอบกันชอบไปคิดว่าอยากจะได้นั่นมาอยากได้นี่มาแต่ไม่เคยถามหมอแล้วได้มาแล้วจะหมดไปหรือเปล่า จะเสียไปหรือเปล่ามันก็ต้องเสียได้แล้วมาทุกอย่างมันก็ต้องจากกันไปสักวันหนึ่งงั้นได้มาทําไมได้มาแล้วต้องมาทุกข์กับมันได้มาทมําไมองั้นอย่าไปดูดวงให้เสียเวลาดูดวงที่พระเจ้าดูให้พวกเราดีกว่าพวกเรานี่พระเจ้าดู อ, อนาคตของพวกเราชัดเจนแล้ว mm hmm. เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนต้องพัดผ้าจากกันถ้าดูความจริงอันนี้มันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ แล้วมันจะไม่ทุกเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาต่อไปขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับ <Okay. S 2> จากคุณพระสักคารานะครับผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับหลวงปู่ม่านพูริทัตโตแล้วรู้สึกสงสัยว่าทำไมท่านถึงมีลูกศิษย์จำนวนค่อนข้างมากที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์จากสมมุติสงฆ์ที่เคยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาธรมาธรมดาาเป็นเพราะความตั้งใจของแต่ละท่าน บวกกับได้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ดีหรือเป็นเพราะบุญเก่าที่แต่ละท่านสั่งสมมาพอถึงชาตินี้ถึงได้จบกิตในธรรมขอรับ อ, อ๋ออยู่ที่ความสามารถของหลวงปู่ท่านท่านเป็นพระอราหารันท่านรู้จักวิธีสอนให้คนเป็นพระอราหันต์กันแล้วพอคนที่อยากจะเป็นไ ป, ไปเรียนกับท่านทำตามที่ท่านสอนก็ได้กันเหมือนไปเรียนจุลามันก็ได้ได้ไ ด, ได้ได้จบจุลากัน ถ้าไม่มีจุลาไปเรียนมันก็ไม่ได้จบจุลาใช่ไหมงั้นมันต้องมีสถาบันมีคนสอนแล้วคนที่อยากจะเรียนมันก็จะไปเรียนได้สําเร็จได้ถ้าไม่มีสถาบันไม่มีคนสอนต่อให้มีความปรารถนาเท่าไหร่มันก็เรียนไม่ได้เพราะไม่มีคนสอนงั้นอยู่ที่คนสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกนี้หรอกก่อนหน้านั้นไม่มีพระพระอรหันแม้แต่โลกแต่องค์เดียวตอนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า พอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์นี่เป็นเหมือนลูกหลานออกมาเป็นดอกเป็นเห็ดเลยใช่ไั้ยันครูบาจารย์นี่เป็นเหมือนพ่อแม่เราถึงเรียกครูบาจารย์ว่าพ่อแม่ครูจารเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้กําเนิดการเป็นพระอริยบุคคลแก่พวกเราเราไปศึกษากับพระอรหันต์ท่านเป็นพ่อแม่ของเราแล้วท่านก็จะสอนให้เราเป็นพระอรหันต์กันแล้วถ้าเราเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตามไม่นานเราก็เป็นกันย พระที่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเขาเคารพท่านมากเชื่อฟังท่านมากท่านสอนอะไรให้ทําอะไรถึงแม้จะให้ตายให้ไปสละชีวิตตามที่ท่านสั่งเขาก็ยินดีที่จะตายกันท่านเขายอมกันถึงขนาด น, นั้นเขาเชื่อกันถึงขนาดนั้นเขาถึงเข้าถึงบรรลุกันเข้าถึงได้เป็นพาาระอรหันต์กันนั้นมันอยู่ที่ความที่ท่านเป็นพาาระอรหันต์ท่านมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้ พระอาหารหันต์บางลูกท่านไม่มีความสามารถท่านสอนไม่เป็นท่านก็เลยไม่มีลูกศิลป์ลูกหาอย่างหลวงปู่สาวนี่ก็เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นที่ซ้ำไปแต่หลวงปู่สาวกับไม่มีลูกศิลป์ลูกหามากเพราะท่านสอนแค่ศีลสมาธิปัญญาสามคำนั่นเองไปปฏิบัติเนอเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเนี่ยฟังแค่นี้ถ้าคนฟังไม่ฉลาดก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ถ้าหลวงปู่มัน่นท่านจะสาธยายศีลคืออะไร พาะวินัยสองรยี่สิบเจข้ออะไรว่าไปรายละเอียดต่างๆคนฟังแล้วมันก็เข้าใจสามารถนํามาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ได้รับผลทันทีดะงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คนเรียนอยู่ที่คนสอนเป็นหลักคนเรียนถ้าสนใจขนาดไหนแต่ไม่มีคนสอนมันไม่มีวันที่จะเรียนได้ดังนั้นต้องมีคนสอนที่ที่รู้และเก่งในการสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านรู้และท่านเก่งในการสั่งสอน หนึงสอนให้คนเป็นผ้าหลานได้อย่างรวดเร็วง่ายดายช่วงแรกๆระยะเจเดือนแรกนี้ท่านสอนมีผ้าหานอย่างน้อยหนึ่งงร้อยห้าสรูปนะวันมาค่าบูชาเนี่ยเป็นวันที่มีผ้าหลานหนึ่ร้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผ้าหลานเหล่านี้ก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกคือวันอาวันอาสาหบูชาวันวันเพ็ญเดือน8พอมาถึงวันเพ็ญเดือนสามอีก อเจ็ดเดือนต้องเอ่อเจ็ดเดือนเท่านั้นเนี่ยก็มีผ้าอาหารหันอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้ะก่อนหน้านั้นไม่มีแม้แต่รูปเดียวก่อนที่พระพเจ้าแสดงธรรมนี้ไม่มีใครเป็นผ้าอาหารหันได้เลยนั้นอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่การเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นผ้าอราหันของท่านและสองอยู่ที่ความสามารถในการสั่งสอนหมดแล้วนะโอเคก็